โรคมะเร็งเกิดจากอะไรโรคมะเร็งคือโรคเนื้องอกชนิดที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำลายเซลล์ต่างๆที่อยู่ล้อมรอบมันซึ่งโรคมะเร็งนี้อาจจะเกิดที่ผิวหนังที่กล้ามเนื้อที่กระดูกหรือที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ แต่ที่เรารู้กันโดยมากหรือมักจะได้ยินอยู่เสมอนั้นคือมะเร็งที่ปอดและที่มดลูกโรคมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายกาจอย่างหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งคนที่ตายด้วยโรคมะเร็งมีจำนวนมากทีเดียวและก็เป็นที่ยอมรับกันในวงการแพทย์ทั่วไปว่ายังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงรู้แต่เหตุประกอบเช่นการสูบบุหรี่มากเกินไปหรือการได้รับแก๊สที่เสียอยู่บ่อยก็อาจจะทาให้เกิดโรคมะเร็งที่ปอดได้ หรือการได้รับสารบางอย่างเข้าไปสู่ร่างกายเช่นสารจำพวกน้ำมันดินหรือการได้รับรังสีเรเดียมหรือรังสีอื่นๆบางอย่างก็อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้สาเหตุต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ต้นเหตุหรือเหตุที่แท้จริงของโรคมะเร็งฉะนั้นเราควรจะทราบว่าโรคมะเร็งนั้นคืออะไร ในหนังสือ Encyclopedia Americana ซึ่งพิมพ์ขึ้นในสหรัฐอเมริการุ่นหลังที่สุดคือในคริสต์ศักราช1968นายแพทย์โอวินเอชคาร์คอฟอดีแห่งสถาบันการค้นคว้าโรคมะเร็งได้กล่าวไว้ว่าคำว่า cancer หรือโรคมะเร็งนั้นเป็นคำที่หมายถึงโรคที่เกิดขึ้นในเมื่อเซลล์ตัวใดตัวหนึ่งหรือเซลล์กลุ่มหนึ่งมิได้เกิดขึ้นตามปกติเหมือนอย่างเซลล์อื่นๆในร่างกาย เซลที่เป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งนี้ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเนื้องอกหรือเนื้อร้ายขึ้นแล้วทำลายเซลอื่นๆที่ล้อมรอบมันจากข้อความสั้นๆที่ข้าพเจ้าอ้างมานี้ท่านจะเห็นได้ว่าสาเหตุสำคัญก็คือตัวการที่ทำให้เซลที่เกิดใหม่มีรูปร่างผิดไปจากเดิมและแล้วก็ทาลายเซลที่อยู่ข้างเคียงฉนั้นปัญหาสาคัญจึงมีอยู่ว่า โครงการที่ว่านี้คืออะไร <S <S เรื่องนี้ครับพระเจ้าได้นาไปปรึกษากับโอปปาติกะซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นนักวิทย า, าศาสตร์และนักปรัชญาและได้เคยเขียนหนังสือทางปรัชญาที่มีชื่อเสียงไว้หลายเล่มอาจารย์พรได้หมายเหตุในหนังสือไว้ว่าท่านยังไม่ยอมให้เปิดเผยชื่อนะครับ ท่านอธิบายให้ฟังสั้นๆว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากวิบาสของกรรมและสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งก็คือความไม่สบายใจที่เกิดจากกรรมชั่วหรือเกิดจากกิเลสแผดเผาให้ร้าร้อนอยู่เสมอจนกระทั่งในที่สุดความไม่สบายใจอันนั้นได้ทวีความเข้มข้น กลายเป็นวิบาก ค, คืออารมณ์ตกค้างฝังอยู่ในสันดานอย่างถาวรคลายออกได้ยากและคอยทำลายความสุขทางใจทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าความสุขอันนั้นจะเนื่องมาจากการทำความดีหรือการสมความปรารถนาในเรื่องอะไรก็ตามความทุกข์ที่สะสมเอาไว้นี้มันจะคอยทำลายอยู่เสมอคือทำให้คนคนนั้นมีความสุขอย่างสดชื่นจริงๆไม่ได้ และวิบาสของความทุกข์ที่ว่านี้ได้มีมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนๆถ้าเพิ่งจะเริ่มต้นในชาตินี้ก็มีกําลังไม่พอที่จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคมะเร็งนี่คือข้อความสั้นๆที่ท่านอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังพอข้าพเจ้าได้รับคำอธิบายเพียงแค่นี้ ก็เกิดความสว่างในเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีและรู้สึกว่าจะต้องนำเรื่องนี้มาเขียนซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นประโยชน์ในด้านการรักษาเพราะวิธีการรักษาที่ได้ผลอย่างแน่นอนหรือได้ผลดีกว่าวิธีเก่าๆในสมัยโบราณ น, นั้นเดี๋ยวนี้ในวงการแพทย์ได้ทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคมะเร็งก็ควรจะไปหาแพทย์ผู้ชานาญในเรื่องนี้ไม่ใช่มาหาข้าพเจ้า แต่ที่จะเป็นประโยชน์ก็คือถ้าท่านซึ้งในเรื่องนี้แล้วจะทําให้ท่านเห็นคุณค่าของการเสียสละการปล่อยวางและการทําความดีทุกอย่างและอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ยังไม่เป็นโรคมะเรง็งถ้ารู้จักทําใจให้สบายอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นยิ่งมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงก็ยังสามารถทําใจให้สบายได้อันนี้แหละ จะเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งในชาตินี้ถ้าหากวิบากของกรรมเก่าที่จะให้ผลในชาตินี้ไม่มีท่านก็จะไม่เป็นแต่ที่แน่นอนก็คือท่านจะไม่เป็นโรคมะเร็งต่อไปทุกๆชาติถ้าหากรู้หลักของการทำใจให้สบายอยู่เสมอนี่คือประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับอย่างแน่นอน เพื่อให้เข้าใจง่ายข้าพเจ้าจะขอสรุปให้ฟังสั้นๆเสียก่อนว่ามะเร็งในทางจิตใจนั่นแหละคือต้นเหตุที่แท้จริงของโรคมะเร็งในทางกายมะเร็งในทางจิตใจหมายถึงวิบากของความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วหรือเกิดจากกิเลสแผดเผาให้ร่าร้อนอยู่เสมอจนกระทั่งความทุกข์ที่เกิดบ่อยๆนั้นมีความเข้มข้นมีความมั่นคงและเกาะอยู่ในจิตใจอ ย, อย่างเหนียวแน่นและลึกซึง้ง และคอยทำลายความสุขทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในทางจิตใจทำให้คนคนนั้นไม่ได้รับความสุขอย่างสดชื่นจริงๆซึ่งถ้าหากเขาไม่มีโรคมาเร่งทางใจกล่าวคือความทุกข์ทางใจที่ฝังอยู่นี้แล้วความสุขที่เขาได้รับนั้นจะต้องสดชื่นและจําใสเป็นไปตามปกติเหมือนคนที่ปกติอื่นๆ การที่จะเข้าใจว่ามะเร็งในทางจิตใจคือต้นเหตุแห่งมะเร็งในทางกายนี้ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจถึงความจริงขั้นมูลฐานซึ่งข้าพเจ้าเคยกล่าวมาบ่อยๆเสียก่อนว่าทุกอย่างเกิดจากใจข้อพิสูจน์ก็คือเพราะทุกอย่างในร่างกายเกิดมาอย่างมีความหมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาวัยวะต่างๆเหล่านี้เกิดจากจิตใจในเมื่อท่านเข้าใจว่า อวัยวะทุกๆอย่างในร่างกายและพฤติกรรมทุกอย่างในร่างกายเกิดจากวิญญาณเป็นปัจจัยก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่ามะเร็งในทางจิตใจคือต้นเหตุของมะเร็งในทางร่างกายแต่ถ้าคนไหนยังเข้าใจอยู่ว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของวัตถุถ้าเข้าใจเพียงแค่นี้ก็ไม่อาจที่จะเข้าใจถึงหลักที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้ว อันที่จริงหลักความจริงหรือทฤษฎีต่างๆที่ทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบนั้นทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเพราะทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ว่ารูปเป็นปัจจัยให้เกิดรูปแต่ทางพระพุทธศาสนาต้องการจะให้เราเข้าใจถึงความจริงที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของวัตถุหมายเหตุรูปเป็นปัจจัยให้เกิดรูปหรือวัตถุเป็นปัจจัยให้เกิดวัตถุ แต่ทางพระพุทธศาสนาต้องการจะให้เราเข้าใจถึงความจริงที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของวัตถุนอกเหนือจากความรู้ทางประสาทสัมผัสซึ่งความจริงในด้านจิตใจเท่านั้นที่เป็นมูลฐานของความจริงในด้านวัตถุทุกอย่างขอให้นึกถึงพุทธพจน์ที่ว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณ คำว่าสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณประโยคสุดท้ายนี้โปรดพิจารณาให้มากอันหนึ่งถ้าเราพิจารณาแต่ในแง่ของวัตถุเราก็ไม่อาจจะรู้ว่าอวัยวะทางเพศเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรคงไม่มีนักวิทยาศาสตร์ทางวัตถุคิดว่าอวัยวะทางเพศนั้นเกิดมาจากกิเลสและจากวิบากของกรรมต่างๆจงสังเกตว่าอวัยวะเพศก็คือ สิ่งที่ผิดปกติระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย <S <S คำว่าสิ่งผิดปกติในที่นี้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันแตกต่างจากกันซึ่งก็คล้ายๆกับเซลล์ที่งอกขึ้นมาเป็นมะเรง็งเพราะเป็นสิ่งที่แปลกจากเซลล์อื่นๆการที่อวัยวะทางเพศของผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เป็นเพราะในสันดานของผู้หญิงและผู้ชายมีความรู้สึกที่เป็นกิเลสเข้มข้นลึกซึ้งเหนียวแน่นที่สุดและความรู้สึกที่ว่านี้ของผู้หญิงกับของผู้ชายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอวัยวะทางเพศจึงได้ต่างกันและนี่ก็คือเนื้องอกชนิดหนึ่งที่เกิดจากความรู้สึกชนิดที่ลึกซึ้งและเหนียวแน่นที่สุด หลักอันนี้โปรดพิจารณาให้ละเอียดถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะมองเห็นว่ามะเร็งในทางจิตใจคือต้นเหตุของมะเร็งในทางร่างกายโดยธรรมดาถ้าหากคนไหนมีความรู้สึกในส่วนลึกผ่องใสเบิกบานร่าเริงอยู่เสมออวัยวะทุกส่วนในร่างกายของผู้นั้นก็มักจะแข็งแรงและสมบูรณ์เป็นปกติ และถ้าหาความรู้สึกอันนี้มีมาแต่กําเนิดร่างกายก็จะสมบูรณ์มาแต่กําเนิดและส่วนมากก็จะมีสุขภาพดีจนตลอดชีวิตเพราะว่าวิบากของกรรมที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิย่อมจะกําหนดโชคชะตาของมันไว้จนตลอดชีวิตซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วขอได้โปรดย้อนไปอ่านหรือฟังเรื่องข้อคิดจากอภิธรรมในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนพฤษภาคม2512่อ ซึ่งมีหลักอยู่ว่าปฏิสนธิจิตพวังจิตและจุติจิตเป็นจิตที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและมีอารมณ์อย่างเดียวกันในภพหนึ่งหด้วยเหตุนี้คนที่มีสุขภาพทางจิตดีมาตั้งแต่ปฏิสนธิก็ย่อมจะมีสุขภาพทางร่างกายดีมาตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งตาย ทุกอย่างเกิดจากจิตเพราะฉะนั้นในเมื่อพื้นฐานทางจิตใจของคนใดมีแต่ความทุกข์และเป็นความทุกข์ชนิดที่เป็นเหมือนโรคมะเร็งคือคอยทำลายความสุขทุกอย่างซึ่งเป็นการทำลายอย่างเงียบๆโดยที่เจ้าตัวเองไม่รู้สึกเขารู้สึกแต่เพียงว่าไม่ว่าเขาจะมีความเป็นอยู่สะดวกสบายหรือสมหวังในเรื่องอะไรก็ตามในใจไม่ค่อยจะสดชื่นจริงๆคนที่มีลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่า ในจิตใจส่วนลึกของเขามีโรคมะเร็งในทางจิตใจและจากโรคมะเร็งอันนี้เองในเมื่ออวัยวะส่วนไหนได้รับปัจจัยหรือส่วนประกอบที่จะทําให้เกิดโรคมะเร็งเช่นสูบบุหรี่มากเกินไปก็จะเป็นโรคมะเร็งขึ้นที่ปอดอย่างนี้เป็นต้นเขาได้โปรดสังเกตว่าคนที่สูบบุหรี่มากนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นโรคมะเร็งที่ปอดทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสูบบุหรี่ไม่ใช่ต้นเหตุของโรคมะเร็งเรื่องบุหรี่เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นอันหนึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าความทุกข์ทางใจที่จะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนั้นจะเป็นความทุกข์ที่เนื่องจากวิบากของกรรมด้วยและวิบากในที่นี้อาจจะหมายถึงวิบากของความดีก็ได้ แต่ถ้าเป็นวิบากของความชั่วแล้วเห็นผลได้ชัดข้าพเจ้าจะขอยกตัวอย่างมาให้เห็นสักรายหนึ่งซึ่งตัวอย่างอันนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสติดตามดูอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเขาตายไปด้วยโรคมะเร็งที่ปอดและเป็นรายหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ซักถามโอปปาติกาอีกองคหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะบอกถึงอดีตชาติของคนอื่นได้ เรื่องมีอยู่ว่าชายผู้นี้เมื่อชาติก่อนเป็นเจ้าของโรงสูบฝิ่นและร่ารวยจากการตั้งโรงสูบฝิ่นนี้เขามีภรรยาหลายคนและแต่ละคนก็คอยแต่จะเรียกร้องเอาเงินจากสามีสามีไม่มีทางอื่นที่จะได้เงินมามากๆนอกจากจะได้มาจาก ก, รการกาาฝิ่นซึ่งตลอดเวลาที่ตัวเองมีอาชีพอย่างนี้แม้จะรวยแม้จะมีเมียหลายคนแต่ในด้านจิตใจไม่มีความสุขเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อนึกถึงสภาพของคนสูบฟิล์มความลำบากความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นแก่คนติดฟิล์มและครอบครัวของเขานึกขึ้นมาทีไรไม่สบายใจทุกครั้งอยากจะเลิกอาชีพนี้แต่ก็เลิกไม่ได้เพราะมีเมียอยู่หลายคนมีลูกหลายคนซึ่งต้องใช้เงินมากและตัวเองก็ไม่มีปัญญาที่จะไปหาเงินอย่างอื่นให้ได้มากเหมือนกับการตั้งโรงสูบฟิล์ม นอกจากความไม่สบายใจที่เนื่องมาจากเห็นความลำบากความทุกข์ทรมานของคนสูบฝิ่นแล้วยังมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องการค้าที่ต้องคอยใช้เรล่เหลี่ยมตลบตะแลงคอยเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอความทุกข์ทรมานอันนี้ได้กัดกินจิตใจของเขาอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตจึงหาความสุขสดชื่นจริงๆไม่ได้เลยแต่ก็เป็นคนใจบุญชอบทำบุญด้วยการบริจาคให้กับทางศาสนา และสาธารณะประโยชน์อยู่เสมอด้วยอนิส์อันนี้จึงทำให้เกิดมาในชาตินี้เป็นคนร่ำรวยอีกแต่ก็ต้องมีชีวิตจำเจยอยู่กับแกส๊สจากท่อไอเสียของรถยนต์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นในบั้นปลายของชีวิตจึงได้เกิดเป็นโรคมะเร็งที่ปอดและในที่สุดก็ตายไปด้วยโรคมะเร็งอันนี้แต่ตลอดชีวิตของคนคนนี้ก็เคยทาบุญใหญ่ๆไว้หลายครั้งหมดเงินไปนับเป็นแสน เช่นช่วยโรงพยาบาลช่วยสร้างโรงเรียนสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างพระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นคนป่วยรายนี้ข้าพเจ้าไม่อาจจะบอกถึงชื่อนามสกุลและที่อยู่ขอให้ทราบไว้แต่เพียงเรื่องราวอันจะเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าความทุกข์ที่เกิดจากวิบากของกรรมที่ไม่ดีนั้นก่อให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาได้อย่างไร นอกจากตัวอย่างรายนี้แล้วก็ยังมีรายอื่นๆอีกแต่สรุปแล้วก็เห็นได้ชัดว่าคนที่ดำเนินชีวิตมาผิดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอและทาให้ตัวเองไม่สบายใจอยู่เสมอนั้นในเมื่อวิบากของความทุกเหล่านี้สะสมมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นโรคมะเร็งในทางจิตใจแล้วก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งในทางกายได้ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงบอกว่า โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากวิบากของกรรมบางคนอาจจะแย้งว่าถ้าเป็นโรคที่เกิดจากวิบากของกรรมจริงทำไมบางรายจึงรักษาหายปัญหาข้อนี้ท่านตอบว่าถ้าหากคนคนนั้นได้ใช้กรรมมาหมดแล้วหรือกรรมที่ทำไว้ตั้งแต่ชาติก่อนไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไรนักก็อาจจะรักษาหายได้แต่ถ้าวิบากของกรรมยังไม่สิ้นสุด แม้จะรักษาจนกระทั่งหายเป็นปกติแต่แล้วในที่สุดก็จะต้องเป็นอีกจนกระทั่งถึงขั้นที่รักษาไม่หายและต้องตายด้วยโรคมะเร็งอันหนึ่งขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าคนบางคนแม้จะไม่ได้ทําบาปกรรมแต่ก็เป็นคนดําเนินชีวิตผิดเข้าใจเรื่องชีวิตผิดตกเป็นทาสของความดีบางอย่างยึดถือบางอย่างมากเกินไป จนกระทั hmm. ่งมีความทุก <compon> ข <en> ์ทรมานอยู่เสมอเมื่อวิบากของความทุกข์สะสมมากๆเข้าจนกลายเป็นโรคมะเร็งในทางจิตใจแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในทางกายได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมีสาเหตุอื่นประกอบด้วยซึ่งเหตุประกอบนี้ในวงการแพทย์รู้ดีว่ามีอะไรบ้างการศึกษาหาความรู้โดยอาศัยวิธีทางสมาธิ กับวิธีทางวิทยาศาสตร์ฝ่ายวัตถุนั้นผิด ก, กันคือความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์จะเขียนทฤษฎีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเก็บข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาให้ได้อย่างเพียงพอและพร้อมกันนั้นก็พยายามสังเกตหาหลักเกณฑ์ที่เหมือนกันจนกระทั่งเมื่อได้ข้อพิสูจน์ที่ลงตัวแล้วจึงจะเขียนเป็นทฤษฎีออกมาส่วนวิธีหาความรู้โดยอาศัยสมาธินั้น ในครั้งแรกก็ต้องอาศัยข้อมูลซึ่งเกิดจากการศึกษาแต่ไม่จำเป็นต้องมีมากแต่ข้อสำคัญต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องและในเมื่อมีสมาธิดีแล้วเวลาเข้าสมาธิก็ต้องอาศัยข้อมูลเพื่อเป็นสื่อในการแปลความหมายหรือถ่ายความรู้จากภายในออกมาโดยวิธีนี้ก็สามารถที่จะสร้างทฤษฎีขึ้นมาได้ และโดยอาศั ย, ศ ย, ศ ย, ศยทฤษฎีอันนี้ก็สามารถที่จะนำทางไปสู่การพิสูจน์ซึ่งในที่สุดก็จะเห็นได้ว่าปรากฏการต่างๆมีกฎเกณฑ์เป็นไปตามทฤษฎีที่รู้ขึ้นมาในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเองการแสวงหาความรู้โดยอาศั ย, ศยวิธีทางสมาธินี้ก็คล้ายๆกับสมัยที่เราอาศัยสมองอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ หากการสร้างทฤษฎีด้วยวิธีนี้จะผิดก็เพราะข้อมูลที่ได้ไว้นั้นผิดและสมาธิยังไม่สูงพอเท่านั้น